ให้จิตสงบเมือ่อจิตสงบแล้วจะทำอะไระเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดเมือ่อจิตสงบแล้วเราจะสร้างปัญญาเราให้เกิดทีนี้สงบเฉยๆมันไม่อยากยาอะไระมันอยากรู้อยากเห็นนะมันอยากสงบมันสบายไหมเอาท่านว่าต้องสร้างปัญญาให้เกิดทำปัญญาให้เกิดจะต้องทำอย่างไรอารมณ์ของวิปัสสนา วิปัสสนาก็คือตัวปัญญาให้มันรู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอย่างแจ่มแจ้งเราอยากให้เกิดปัญญาทํำยังไงเราอย่ า, าวิ่งแม้่คนนี้มันสวยเรือเกินหนึ่งไม่แน่เอคนนี้มันโง่เรือเกินหนึ่งอันนี้ไม่แน่แกงถ้วยนี้แม้มันอร่อยเรือเกินนะไม่แน่มิแต่บอกว่าไม่แน่ทั้งนั้นเนี่ยนัน่นคือมันแน่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 เอาทีนี้เอาตรงนี้มันแน่อีกนี้ก็ไม่แน่มันอีกทำไปทำไปก็เลยเบื่อหน่ายมันอะไรไม่แน่สักอย่างหนึ่งเลยท่านก็เเรียกว่าอ น, นี่จังถ้ามันไม่แน่แน่มันไม่แน่ไอ้ที่อาการไม่แน่นี่นะเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงก็เกิดเป็นพระพุทธเจ้านั่นเองแหละเคยได้ยินได้เห็นไมนี่ว่าใครเห็นธรรมก็เห็นพระ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 ขึ้นไปแล้ววันสองวันเออสบายดีนะบินทะบาดสักห้ากิโลนี่มไม่ไหวไม่ไหวอีกแล้วกลับลงมามไปไหนอีกนู่นไปทะเลโน่นอากาศมันดีถ้าอากาศทะเลมันดีก็ เ, เป็นพระอรหันต์กันหมดทีทางทะเลนะเราไม่คิดอย่างนั้นเลย ต, ต้องไปอยู่ที่อากาศดีดีดีก็อยู่มันบ้างที่ไม่ดีก็อยู่มันบ้างนี เราเรียนมันจะทำยังไงล่ะแล้ว เ, เอาสิ่งที่ชอบใจเราทั้งนั้นเดูน่ะอย่างนี้ให้เอาไปคิดอันนี้พิจารณาดูดิที่ในอากาศดีแมที่ในอากาศดีนั่นยิ่งไม่มีปัญญายิ่งมีกิเลสหลายลองลองดูทีลองดูดงดพิจารณาดูที่จะต้องไปอยู่ที่อากาศดีดี ถ้าหากว่าเรามีโอกาสที่ประโยชน์ที่อากาศไม่ดีเราจะเป็นยังไงนะมันจะสุขหรือมันจะทุกข์ถ้าเราเห็นอย่างนั้นเราประโยชน์อากาศดีดอารมณ์ในที่ชายทะเลนั่นแนะ่ะแม่มันดีเรือเกินนะ่ะดีละ่ะผมก็เห็นดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าอีกวันหนึ่งนะเราประโยชน์ที่อากาศร้อนไม่เหมือนชายทะเลแล้วจะสบายอย่างนั้นไหมนั่นจะทํายังไงล่ะอืม มิฉนั้นพระพุทธจเจ้ามาเห็นว่าอากาศดีหรือไม่ดีน่ะท่านเห็นเสมอกัานนี้โอกาสที่เรามีชีวิตอยู่น่ะเราจะทีท่ออไปทั่วทิศเน่ยไปว่ามันตรงนี้ไม่ดีตรงนั้นอย่าไปว่ามันเนี่ยไปว่ามั น, อ ย, มนอย่าไปว่าร้อนไม่ดีถึงฤดู้หนาวเราจะคิดถึงมันคือความร้อนอย่าว่าเย็นหรือหนาวเนี่ยมันไม่ดี เมื่อมันร้อนมาเราจะคิดถึงมันอืมแต่มันร้อนก็ร้อนไปทุกเออมันร้อนก็ร้อนไปถึงคราวที่จะอยู่มันก็อดทนมันไปไอ้ตรงนี้มันหนาวก็ถึงมันหนาวกว่าหนาวไปที่มันหนาวนี่ยให้ดูมันไปสิมนหนาวทนไว้กว่าทนไปทนไม่ไหวกว่าเลิกมันไปมันร้อนมันหนาวเกินขอบเขตยังวุ่นวายสิเราไอ้ควรอดกั้นแล้วก็อดสิไม่ใช่มันไม่อดเนีย ไม่ต้องอื่นนกายเนาะขนาดดารูรอดมาเอาใหม่เอาหม่หมพัดลมมาพัดเท่านี้เนะี่ยมันพัดแค่เท่านีนะ้บางทีผมลำคาญเลยนี่คือเราทำงานนี่เห็นไมร่างกายมันเคลื่อนไหวเนี่ยทำ ไ, ไมเคลื่อนไหวออกกำลังเหงื่อมันก็ออกเห็นไม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 เนะี่ยอย่า ง, ช า, างชาวกรุงเทพกันทีเดียวชาวอุบลน้าแข็งย่างกันนี่นี่ไม่ไม่ไหวไม่ไห ว, ไ ม, ไ, วไม่ท่านน้าแข็งตายตายตายหงดตายโหงดเราสบายเลยตรง น, นี้นะมีมาก็ชันมันไปไม่มีก็ไม่ต้องชันมันมามันก็อย่างนี้เนี่ยอันนี้คือเรื่องของมันติดใช่ไหมเรื่องมันติดก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องทดลองทุกอย่างอารอนก็ทดลองเย็นก็ทดลองมันผ่านไปตรงนั้น ไอ้ความกิงมันต่อสู้สิ่งที่ไม่ชอบหรือชอบให้มันดูเรื่องของโลกโลกก็มันมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงเราจะไม่ทนทานต่อความหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงมันเท่านั้นแหละเราก็ไม่ใช่นักปฏิบัติจะรู้อะไรมันแล้วจะเห็นมันเมื่อไรเช่นว่าอิิยาบทบางทุกขอย่างนี้เป็นต้นท่านพูดชัดเดือดเกิน อิทิบาวดมันบังทุกข์ถ้าเรานอนถ้าเรานั่งไปอย่างนี้มันจะปวดเกิดขึ้นมาอย่างนี้มันรู้หรอมันบอกให้พฟิกฟิกปั๊บเดี๋ยวทุกข์ก็หายไปเนี่ยเนี่ยมันบังเสร็จแล้วไม่รู้จากทุกข์เลยสุปเกิดขึ้นมาแทนเนี่ย น, นั่งไปสักพักหนึ่งมันทุกขอีกเปลี่ยนปุ๊บอีกทุกข์ก็หายไปอีก แต่คุกไม่ทันสักทีเลยเลยไม่เห็นทุกข์นี่พระอาจานบอกว่าอิริยาบถมันบังทุกข์มันบังทุกข์มิจฉานั้นต้องทำยังไงต้องอดทนเพราะพูดเดียวต้องลองดูต้องทดลองสู้กับทุกข์แต่ว่าจนกว่าว่าไม่ให้มันเกิดอันตรายเสียหายอย่างเรานั่งสมาธินี่ โอ้โหมันปวดนี่นะไปถึงทีนะ่ะมันปวดมันก็ถอนออกมาเลยถอนมาชั่วคราวไปอีกไปถึงที่มันปวดต้อก็ถอนออกมาอีกมันเป็นสะอย่างนี้ได้บางทุกไม่รู้จักทุกข์เลยนั่งที่ไหนก็ทุกข์ทั้งนั้นเลยเดี๋ยวมันคิดมันจะเป็นไง น, อน้อทําไมมันจะข้ามันไหนไหม น, น้อ น, นี่ร่างกายเราสนใจอ่ะ ต้องต้องต้องมีตัดชินกันทั้งวันหนึ่งเอาวันนี้ตายกันสัทีเถอะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายนี่นางมันกันไปต้องเปลี่ยนวันนี้ให้มันตายเนี่ยอาศัยพระพุทธเ้องค์ท่านว่ามันเกิดเนี่ยมันดับนะคือความปวดนี่มันเกิดถ้าไมมันจะดับไปได้ดันแหมอย่าพึ่งไปอธิษฐานง่ายๆนะนี่นะอธิษฐานจะเสียคนเลยต้องทดรองไปเรื่อยๆซะก่อนเนี่ยอืม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 ทีนี้เมื่อมันชุบลงไปมันโพ้นโอ้โหมีปัญญาและมีกําลังเนี่เอืออันนี้มันแปลกเหมือนกันนะเราเนื่องว่ามันจะจะทนไม่ไหว่ะนึ่องว่าจะตายเลยนนะปวดอยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ปวดนี่นี่ลักษณะทรมานนะเนี่ยไม่จะทําทั่วไปนะนี่มันมีทำเท่านี้ก็มีกําลังแล้วนะนี่ไม่จะทําทั่วไปนวันหลังมื่มันในที่มันรู้เรื่องที่สุดของมันรู้แล้วนี่นะเมื่อวันหลังเนี่ย จะทามันก็ทำมันข้ามันหน่อยนี่เรียกว่าข้าบเมบตนาข้าบเมตนาอืมนี่เรียกข้าบเมตนาถ้าข้าบเมตนาไม่ได้เนี่ยโอ้ยไปถึงนั่นก็หยุดแล้วตายทุกทีตายทุกทีกำลังมันไม่มีอืมเราต้องพยายามให้ข้ามันวันหนึ่งจนไดนะ้จะรู้เรื่องของมันถ้าเร ถ้าเราได้ข้ามไปวันหนึ่งเราจะมีกลัวเราก็เห็นสภาพสภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยอืมือนกระมวยเขาเน่ะถ้ายังไม่ชคนูกมันกลัวมันนะถ้าเราได้ชกมันเข้าไปแเอะมันดูเรื่องไม่กลัวมันแล้วนี่มันกลัวสัเกินไปนี่ต้องทดรองอย่างนี้เนี่ยข้ามเมตนาถ้าหากว่ามันเจ็บมันปลดย่างเต็มที่มีความรู้สึกว่าอันนี้มันหายได้อยู่ในใจของเราเนี่ย ถเราไม่ได้ฆ่ามันบันหนึ่งมันต้องเคลื่อไหวมันจะต้องเป็นหน็บมันจะเป็นโรกอัมพาตมันจะต้องเป็นอะไรตัวอะไรกันวุ่นวายทั้งนั้นแหละขยายออกไปแต่นั้นนี่ยนี่เราจะต้องทดลองมันให้มันดีตรงนี้ตรงทดลองนเรียกว่าการข้ามเีตนาแล้วก็นั่งสมาธิให้มันสงบถึงที่มันเขาเรียกตามบัญญัติเขาเรียกอัปปนาเราไม่รู้เรื่องอปปนาเรา จะรู้แต่ถึงใจของเราอ่ะนั่งให้มันสงบจริงจิงสงบโดยฐานะที่ว่ามันเป็นเองของมันนั่งไปนั่งไปกับนดถูกเรื่องมันจะกำหนดเองของมันสงบจริงจริเราก็มองเห็นว่าอันนี้มาสงบจริงไหมมันจริงอันนี้เป็นสมาธิจริงไหมมันจริงเป็นอารมณ์เดียวจริงไหมจริงให้มันดูเรื่องอ่านให้มันได้ให้มันออก มีอารมณ์อื่นเข้าไปปนไหมไม่ปนเรียบร้อยอนี่นะคือความสงบถึงที่สุดมันแล้วนั่นอันนี้ต้องให้มันผ่านพี่เราต้องให้มันผ่านแต่อย่าวิ่งอเมื่อมันผ่านเมื่อมันสงบได้แล้วนะเราก็มาทําปัญญาให้มันเกิดสงบขนาดนั้นไม่พอแล้วน่ะสงบเรื่องสมถะนั้นมันต้องสงบด้วยปัญญาเป็นมิปัญ น, นาต้องทําปัญญาให้เกิด ไอ้ความสงบเช่นนั้นก็เรียกว่าอยู่ที่ร้อนมันมันไม่สงบลงไปชายทะเลมันสงบเท่านั้นเนี่ยนี่มันหมดร้อนเมื่อขึ้นมาสู่ความร้อนอีกไม่สงบอีกแล้ว<ม>นี่เรียกว่าอารมณ์ของสมถะมันสงบแค่นี้อารมณ์ของมีปัสนามอยู่ภูเขามันร้อน <c oughs> ร้อนแล้ก็อยู่ได้รงไปชายทะเลน่ก็อยู่ได้เ <c oughs> น<ะ>ี่ไม่เป็นอะไรอยู่ได้สบายอยู่กำหนดรู้ได้อย่างนั้น มันไม่วิ่งอันนั้นคือมันรู้สุขรู้ทุกมันรู้ตาทางปฏิบัติมันรู้อย่างนั้นนีปรัสนานี่แต่เรียกว่าเป็นอารมณ์ของนีปััสนาใช่ไหมอดีตจังถูกขังอนาตถานเรื่องของไม่เที่ยงอันนี้มันแน่นอนจริงๆนะเรายังไม่ทํากันใชอย่างผมว่าไม่ต้องพิจารณาเลยมันมากหรอกหนึ่งสถานที่ใด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 อะไรหลาอย่างจะได้ดูท่านท่านเป็นวิสัยท่านปฏิบัติท่านปฏิบัติอย่างไรเราดูเอาก็ได้เน<อ>ี่ยล้วอยู่ใกล้หมูเรารู้จักวิสัยของหมูอยู่ใกล้ดินดูจักวิสัยของดินอยู่ใกล้ช้างรูจักวิสัยของช้างอยู่ที่ไหนก็รู้จักอันนั้นถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้ไม่ใช่นั้นครูบาอาจารย์ที่ได้ฝึกมาแล้วเราควรอยู่ใกล้ท่านอย่างไรอยู่ใกล้อุปชาอย่างน้อยห้าพันศาล มันมีเหตุผลอย่างนี้เรามีปัญญาไม่ใช่ว่าตรงนั้นภาวนาดีตรงนั้นภาว น, น, นาไม่ดีไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นมันความความคิดของเรากิเลสของเราอืถ้าหากว่าอะไรก็ช่างมันเธอเสียนาชนะพออยู่อยู่ในที่นั่นท่านพาทำพาทำตามพระธรรมยีน่ยมีจิตอันน้อยน่อยู่ในป่าไม่วุ่นวายแล้ว สงสัยมาเลยฟังธรร ม, อ, มอยู่สบายพอควรตรงนั้นแหละอยู่แล้วไม่เสียจะได้เห็นท่านทุกวันในฟังธรรมมีประโยชน์มากอันนี้เมื่อหากว่ารวมมาแล้วนะมันจะเป็นอย่างนี้ ถ, ถ, ถ้าหากว่าเราเห็นธรรมอยู่ภูเขาทํามอยู่ทะเลเนี่ยไปเถอะอ ล, อลองไปเถอะ ยังงั้นคนทะเลมันก็สงบกันหมดสิออากาศมันดีนี่ยจะทําไงเน่ะมันคนนะเรื่องกันนี่นะเราจะไปติดถิ่นอย่างนั้นดิพระพุทธเจ้าจะไม่ใ้ติดอยาให้รู้อย่างนั้นออให้รู้อย่างนั้นมันอยากจะเป็นอย่างนั้นการปฏิบัตินี่คือให้ความรู้เท่าถ้าความไม่รู้เท่าเกิดกมันเป็นทุกข์มันแยกกันตรงนี้เองมีปรัชนากัสมถานั้นอืม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 ในในใจจิตเดชจริงๆก็นึกว่ามันแน่นอนมันจบเรื่องมาแนี่ยไม่แน่ตัวปัญญามีเรื่องไมมเนี่ยทั้งนั้นเน่ยไม่แน่ทั้งนั้นมันจะถึงสิ้นสุดขนาดไหนเขาจ้างมันจะเอาละขนาดนี้อยาไม่แน่ไว้ี่ให้เราสำนองไว้อย่างนี้เรื่อยๆไปอย่าไปไหวใจมันเลยเรื่องจิตใจนี่เรื่องอารมณ์นี่ดูกันไปอย่างนี้เรื่อยไปจนตลอดต้นนี่ท่านเรียกว่าอย่าประมาทเนี่ถูกของท่านเหลือกิน ไม่รู้ว่าใครเขียนนี่เห็นจะเป็นพระพุทธเจ้ายาประมาทถูกตั้งแต่ต้นจ น, นปลายเลยทีนี่มันเป็นเช่นนี้ไม่ใช่ว่าทำมันอยู่ตรงโน้นทำอยู่ตรงนี้ศึกษาแล้วจึงไปแล้วเปลี่ยนสถานที่พอสมควรให้มีครูบาอาจารย์ไม่ใช่มันเร่งเล็กพูดง่ายๆให้เรามันพ้นแล้วเสร็จแล้ว เสร็จอะไรไม่รู้เรื่องเสร็จแค่แค่ไหนสงครามนี้ไม่ตายกับมันรู้นับรองเจ้าของได้แต่ภายในของเจ้าของไม่กลัวแล้วรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภธรมย์ไม่กลัวแล้วอย่างนี้ในใจของเราเสมอเนะก็ต้องเป็นอย่างนี้นักปฏิบัติต้องรู้จักอย่างนี้ถ้าอยู่อย่างนั้นมันก็สบายจะทำไงมัน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 มันเอาพอดีเอาพอดีไม่ได้ไม่พูดก็ไม่พูดมันมเนยดีกว่าแล่วมันสงบดีมันไปแง่นั้นเนี่ยบางทีก็พูดมากจนเกินไปเสียหมดทั้งนั้นเนีอสถานที่พอดีมันข้ามไปข้ามมาอยู่ตรอดเวลาฉะนั้นจึงจึงให้หนักกับครูบาอาจารย์ไว้การพิจารณานั้นศีล ส, สมาธิปัญญาเรื่องปฏิบัตินี้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 พวกเราทั้งหลายจะไปวิ่งมากเอะทำศีลเนียมันดีกายวาจาเร้เนมันเรียบร้อยไม่ต้องอะไรเอานังตวาดมาดูเท่านั้นแหละหนังสือนังตวัดเอานี่ย น, นักทำตรีแล้วนี่ยนะมันครบชุดเท่านั้นเนี่ยเอามาอ่านเถอะามาดูเถอะวิไนยันบอกอะไรให้มันกลัวในสภาพนี้ก่อนเถอะรู้จักเถอะนี่ไม่ต้องมากหรอกอืม ศีลก็ไม่ต้องมากทำมันหฮริร้ายเกิดขึ้นทำเป็นศีลมดทุกข้อแล้วอย่าไปคิดอย่างอื่นให้มันมากการภาวนาในที่ประชุมโหมากอย่างผมตั้งไว้เวลาท่านนั้นตักน้ำสมัยก่อนกวาดวัดเวลาท่านนั่นกวาดวัดเวลาท่านนั่นทาวัดกันเวทท่านั้นขบชั้นอะไรกันอย่างเงี้ยพยายามทําให้มันได้เหอะ ภาวนาเป็นต้องระวังที่พวกเราเนี่ไม่ค่อยระวังอืมเดี๋ยวนี้มันพระมันมากจะชันหมดจึงกราบพระจะไปอย่างนี้มันค่อยยากเลยลดข้อปฏิบัติดังหน่อยหนึ่งแต่ไม่ลดก็คือจะลดให้มันดีขึ้นบางทีพระแก่ฉันจังหันช้าก็น้อยองค์บางองค์ก็ฉันจังหันมันช้าทุกวันนี้ ผมให้ฉันจะหารเสร็จแล้วพอสมควรก็เรียกว่าไอ้พวกฉันเนี่ยมันมากเสร็จแต่มันมากเหลือเจ้โองค์สององค์อะไรเนี่ยบางทีผมกระดันดังครั้งหรือบอกอาจารย์เดี่ยมดั้นดังครั้งก็รีบเอาบาตออกไปทำไปจัดคือไม่ไม่ไม่ต้องกลับมามากราบพระอีกออกไปให้เงียบไอ้ความเป็นจริงอยากจะให้มันเงียบออกไป อย่าไปกติเราก็ได้ที่ไหนกน็ล่างบาททําให้มันสงบอย่าไปล่างบาทคุยกันอย่าไปล่างบาทมีน้ําตากแดดอืมออย่าไปความใส่คอนกรีตครับก้อนหินเข้าบาดเราเนะี่ยให้รู้จัก ร, รักษาอืแล้วก็อย่าไปคุยกันอืมล่างบาทเท็ศบาดจะไปคุยกันไปที่เรื่องไหนวุ่นวายไอ้ผมนั่งอยู่ทางต้นแถวนั่นอายโยมเขาแล้ว เหมือนขี่เล่าโวเวโวเวโวเ ว, เวไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะบางทีจนในบอกพระไปดูพระทตรงนั้นเขาทำอะไรกันนั่นนะ่ะอายเจ้านายเขามานั่งกันนั่นนะไม่รู้เรื่องทั้งนี้มันสงบทางนั้นมันวุ่นวายไม่ดีออกไปมันพ้นถ้าจะจะออกไปล้างเนี่ยมันดีเรียบร้อยรียบเข้าปฏติของเราทําทเพียนไปเลยในเวลานั้นอย่าไปนั่งคุยกันในเสียประโยชน์เลย ไปถึงกติเราเอาผ้าของเราจากแดดเก็บบาตรเดินยกลมเดินโยกลมพอกีวอนน่ะมันแห้งพอกรอนน่มาเลิกกี่วอนเราเก็บไว้จะพักครอนก็พักก่อนจ้ะออจะพักกรถ้าจะสามสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็พักครอนลุกขึ้นมาก็นั่งสมาธิเดินยกลมแถวๆนั้นเนี่ยกว่าได้ยินเสียงระฆั ง, งท่านเห็นต้นเตรียมตัวเลย ขึ้นไปปราบพระเลยมาเมื่อทํากิจวัดเสร็จแล้วจะกลับไปให้มันเสร็จทุกๆค น, นทํากิจของเราเสร็จสงน้ําสงท่ากลับไปถึงกติของเราขึ้นผกุฏิไปก็ปราบพระขึ้นก็กราบลงก็กราบกราบมันทั้งนั้นให้มันมีสติให้มันชํานานให้มันในอยู่ในสันดานจะพายบาดแบกโกรธไปอยู่ในป่านั่งลงต้นไม้ต้นนี้กราบต้นนี้ ไม่ได้หยุดฝึกบางคนก็เห็นบ้าๆบอๆกราบทั้งนั้นกราบมาทั้งนั้นมันไม่เป็นนี่จะทำไงมันฝึกอย่าไปกลัวมันทั้งนั้นเรามีความหมายทำอะไรเราทามีความหมายฝึกไปให้พากันฝึกพิวัตรเหล่านี้ตอนที่สองทำงานทำอะไรเป็นทนอย่าไปพูดกันเสียงดังมากเกินไป การโกบการชัดคุยกันเหมือนคนขี่เหล้ากินเหล้านี่มันไม่น่าดูมันไม่น่าฟังอืมมันไม่ดีขนาดนี้ก็ปฏิบัติให้มันได้เถอะค่อยๆพูดกันอะไรต่ อ, อไรกันอย่างไปบิณฑบาตในบ้านผมผ้าดีเนี่ยไปบิณฑบาตสังวรสังรวมไปในบ้านเห็นพระเนนที่ใหม่ๆไม่รู้เรื่อง แต่ฉันในบ้านตรงนู้นดูเจ็กดูจีนดูอะไรต่ออะไรวุนน่นนะมันไปดูอะไรทาไมมองดูขนาดนี้ก็พอแล้วนี่่ะบางวงก็ต้องต้องมองไปจนจนไม่รู้เรื่องอืมไม่รู้เรื่องอ ม, มันยิ่งกว่าไอ้ไอ้คารวาสเขาเพราะว่าพระอยู่ในป่าไม่ได้เห็นนานแล้วเข้าไปในบ้านเห็นนู่นเห็นนี่ในตรึงตากันดูอืม เดือกเกินมันหิวมันหิวอืมนจะเป็นเหมือนสุนัขมั้งเนาะอยู่ในตลาดไม่ค่อยเห่าหรอกเนาะเอามาไปในป่าเราสักหน่อยที่มันถูกลมพัดใบไม้ดอกเห่าตลอดคืนนะมี่ตื่นเต้นอันนี้สำคัญระวังมากที่สุดไปบินทวัดนี่เดี๋ยวกลับมากระหมะ่มจ้าผ้านั้นบางคนก็ดึงผ้าที่ขึ้น้างเดียวนี่ เดินมามคุยกันบุ่นบางทีก็นั่งเรียงคู่กันในยืนเรียงคู่กันคุยกันเรื่อยๆมาถึงบัดรกรรมฐานหายหมดไม่มีเหลือแล้วมันไปที่ไหนก็ไม่รู้มันพวกนี้ก็คุยอีกอมไม่ในเรื่องอะไรภาวนาไม่เป็นเนี่ยถ้าจิตใจไม่สงบมันก็ไม่สังวรไม่สังดวมดูเอาก็รู้จัก ไม่เป็นไหนภาวนาไม่เป็นเสียหายมากต้องดูอืต้องดูงดเน้นกลางมาไหมล่ะเห็นกลางมาไหมนั่นะ่ะตัวสําคัญตัวหนึ่งไม่ได้ภาวนาหรอกเน้นนีน่ยออไม่ได้ภาวนาหรอกเน้นกลงนีน่ไปดูต้นนั้นไปดูนี่เท่านั้นแหละ อ่าอ่าให้บริการน้ำแข็งน่นดีอืมโครมโครมโครมโครมโครมตรงนั้นเนี่ยเงียบไปนยอืมถึงเวลาทำเพียรนันไปคุยตรงนั้นถึงเวลานอนกับว่าไม่เวลาทำเพียรเนี่ยอยู่ไปเฉยๆอยู่ไปนี่ระวังพวกเราให้ระวังอย่าไปเอาตัวอย่างเป็นตัวอย่างอืไม่ดีไม่ดีไม่เป็น เดี๋ยวก็พังในวันไหนมนหนึ่งก็พังอ่ะมองดูก็รู้จักเราไม่ยากเลยคนไม่รู้คนเนี่ยก็ลาบากเหมือนกันอยากไปใกล้เป็นผู้มากน้อยเป็นผู้มากบางอืมให้รู้จักประมาณพอสมควรอืมให้รู้จักดูครูบาอาจารย์ดูหน่วยเหนือท่านทำพูดก็พูดอย่างสมณะนะ เดินก็เดินอย่างสมณะฉันก็ฉันอย่างสมณะให้มันงามเถอะให้มันงามให้มันงามนุ่งห่มกีวรก็ให้มันงา ม, มเช่นว่าวัดประพงศ์เหล่านี้เดี๋ยวนี้มันยิ่งรวมรวมรวมฐานมันยิ่งมากสมัยนี้เราถ้าหากว่าทิ้งข้อวัดปฏิบัติแล้ว เสียหายไม่นานต้องช่วยกันช่วยกันในทุกอย่างอ่ะมือเช้านี่แวะเข้าไปในในในกติของใครอยู่ตรงนั้นเนี่ยโดยประตูเข้ามาเนี่ยบอกสุ ข, ขุมเ่านี่นี่นี่กติของใครงไม่รู้สุ ข, ขุมก็ไม่รู้เดินเข้าไปในส้วมโอ้โหปลวกมันกินจนพังมดเน่ะ ไม่เคยมีเอาไม่กวาดไปกวาดน้ําในส้วมก็ไม่มีปลวกกินทังนนทําไมถ้าไมไม่เอาไม้เคาะๆออกบ้างละ่ะเคลียบ้างเอาน้ำสะอาดใจบ้างให้ขี้ปลวกมันไหลออกไงกวาดรอบๆฐานส้วมทําไมไม่ทาฐานกติทําไมไม่ทําทําไมไม่ดูไอ้คนเขามีสตาเขาสร้างให้เราอยู่มันยิ่งลาบากกว่านี่ไหม ที่เขามามองเห็นมองเห็นเท่านั้นเขาก็พอใจเขาแล้ว อ, อันนี้คือปฏิบัตินี่กรรมฐานนี่ดูเดี๋ยวไม่รอดครอบตรงนั้ น, นเสียหายตรงนั้ น, นจะไปที่ไหนอะไรก็ไม่พอคนคนนี้ไม่พอห้องซ่วมเราต้องอาศัยอยู่นั่นแลวต้องพยายามดูน้ำดูท่ามาแขกกันทุ ก, กะมา เอาบอกกรองใหญ่ๆที่มันทิ้งอยู่ตามนั่นไปไว้กรองใส่ขานเทล้างเอาไว้นานๆตัวตัวสัตว์มันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นอันนี้ปลวกมันกินกันเตมป่ามันผมไปเคาะเคาปลวกถึงนันหลายครั้งแต่ผมไปเนี่ยไปถามนีไม่รู้ว่าใครอยู่ตรงนั้นกติลังไก่ไกออกไปวันยมชีเลยนะ้านวัดทำไมไม่กวาดเล็กๆน้อยๆทั้นั้นน่ะ อมันสกปรกนั่นน่ะห้องซ่วมวนั่นน่ะทําไมไม่ทํำไม่รู้ว่าดับตากันอยู่ยังไงก็ไม่รู้ไปดูเท่านี้เดี๋ยวก็โอ้ยมันเห็นใสมัดปฏิบัตินี่เราไม่จะมีอะไรมากตอนกลางคืนตอนเช้าตอนบ่ายน่ะแล้วได้ไม่ขวดต้องไปกวดกติเราจะต้องไปเช็ดอันนั้นอันนี้นก็เกิดประโยชน์เด่นดีกว่าจะไปคุยกันอยู่อย่างอื่นนั่นให้มันเสียประโยชน์เราหนึ่ะ ว่างๆเราทําทมันได้นั่นให้สะอาดกติเด็กๆส้วมเล็กๆทาให้มันใสสะอาดก็ได้อในสว้วมสกกระโปงมมามท้งนั้นทําไมถึงปากันสึดทํากันอย่างนั้นไปอยู่ที่ไหนก็เป็นอามงคลทั้งไม่เป็นมงคลเนาะนี่ทําทอย่างนั้นอืม มา น, นั่งหลับตาสมาธิไม่รู้จะนั่งเอะไรก็ไม่รู้เร้่มุขส้วมในล่างไม่สะอาดเลอะเทอะมันไม่สมควรแหละไปดูกติกะทัยแต่เออมีปวดรานวัดมีทางเดินจงกรมอืกติก็สะอาดห้องน้ําห้องส้วมก่อไม่มีพวกสะอาดไรองนั่นภาวนาเป็นไม่เป็นก็จะเป็นต่อไป ให้พา ก, กันดูสิส่วมแ ล, วแล้วส้วมสักเม็ดหนึ่งตรงกวาดออกไปไม้ปลวกมันเข้ามากินเข้าไปสร้างมาถึงสักปีสองปีสามปีมันถ้มามัอยู่ปีเดียวสองปีมันเลือดเถิดเลยเนี่ยนี่ก็มีกติที่ไม่มีมีกุญแจแล่ละเดี๋ยวอืมผมสมัยก่อนผมไปเที่ยวต้องมีลูกมีกุญแจใส่กระเป๋าไปเลย คุณแจ่ที่เขาให้พระกรรมฐานอาคันตุกาไปเขาไม่มีคุณแก่หรอกไปใช้ไปดึงกุญแก่เขาเขาดึงใไอยููเขาเอาไปแจ่เข้าไปอะไรวุ่นเนื่ยเขาไม่ให้หรอกต้องเอาคุณแจเราไปไปเคาะไปต่อออย่างนั้นได้อันนี้กระือนกันเนี่ยอแก้ให้ไม่ได้นะ้วไปทิง้งอลคันตุกาบางทีไปเอาไปเลยพี่เอาเรื่อยไปตัดกันวุ่นวาย เอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนี่ต้องควรต้องพิจารณามันบาปนี่นะไม่ใช่เรื่องของพระอริยเจ้านะเรื่องเราทาอย่างนั้นเรื่องพระเทวทัตเรื่องไม่รักษาเสนาสนะไม่รักษาห้องซ่วมไม่รักษาที่อยู่ที่อาศัยนี่นะมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะี่มันไม่เรื่องหยาบเรื่อเกิน เรื่องหยาบคายมากที่สุดให้พระการเข้าใจท่านในอยู่ที่ไหนอาการตุกะมาก็ดีไปที่อื่นก็ทำเราไปอย่าไปทำอย่างนั้นจงทำให้มันสะอาดเมยเจโกดีเขาให้อาศัยก็ต้องทำให้มันสะอาดกติมิหารเขาให้ให้อยู่อาศัยก็ต้องทำามันสะอาดให้มันคุ้มค่า เมื่อไปก็ไปขออยู่เมื่อจะไปก็เช็ดต้องล้างต้องทำให้มันสะอาดจัดของเครื่องเสนาสะนะถวายท่านผมมอบเสนาสะนะให้ผมจะไปอีกให้มันดูเรื่องอันนี้ไปก็ไปมีวุ่นวายกันเรื่อยๆไปไม่ค่อยดีอืมไม่ค่อยดีโดยมากไปเที่ยวกันอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยตายเลย เก็บหอมรอมรลิษคารดคาลาเข้าไปได้แค่สี่องห้าองป้ายมันน่าลังเกียดเหลือเกินขวัยพระภาคอีสานนิโกโลโกโซนพระทุกพระยากพระลาบากอืส่งคารดคาเรือให้สี่องห้าองค์ไปบ่อยเลยสับเปลี่ยนกันไม่ได้ขาดแต่ละวันเลยไปองค์นี่ไปหุ่นวาย ถ้าไปอยู่ในนั้นทําจิตอะไรช่วยจะเอาวาาช่วยที่อยู่ก็ยังดีนะมันก็ยังดี<อ>นะน ย, ยิ่งไปทําลายสบูเอ้ยไม่สีฟันเนีแปรงสีฟันเนอ่ยผ้าเอ้ยใช่มันครึ่งเดียวเนี่ยทิ้งมันเกินกาดอยู่ตามนั่นนะอืมอยากไปเที่ยวทําไมเที่ยวไม่เป็นเที่ยวไปทําไม เที่ยวไปวุ่นวายคนอย่างนั้นผมไปผมไม่ได้ ก, กวนใครแล้ยถ้าจะไปผมก็ไปเดินไปทําไปใครอยากจะช่วยข้ า, ขาก็ไปช่วยไปรับตามเรื่องก็ไม่มีช่วยแล้วก็เดินแล้วไม่มีธุระดิบร้อนอะไรอย่างนั้นสมัยนี้ไม่ได้แลยทุกคนบุญลําบากมผมไปเห็นเนี่ก็เห็นลาบาก ไปเที่ยวเล่นเฉยๆนั่นไม่เกิดประโยชน์อะไรมันไม่มีประโยชน์ในศาสนาเนี่ยมันไม่สําคัญต้องมีธุระไปหาครูบาอาจารย์ขัดข้องอะไรศึกษาอะไรช่วยอะไรเงียบมันดีเนี่ยครูไปนู่นมึงก็ไปนู่นครูอยากไปนั่นมึงก็ไปนั่นไปนอันนี้อันหนึ่งเหตุตัวมันจะเสียหา ย, ยานี่วัดเราเสียแน่นอนต้องเสีย อันนี้อันหนึ่ง เ, เ, เป็นเป็นสิ่งที่จะเสียหายในการต่อไปนี้ท่านั่นผู้ทีม่มาบวชใหม่นี่ก็ให้อยู่ให้อยู่ไปฝึกไปจอบไปพบจะพยายามรวมรว ม, รวมที่พระที่พอสมควรอยู่เดยกันในหลายองค์พอจะได้ช่วยกันตั้งรากฐานใหม่ตั้งรากฐานใหม่ให้ความเป็นจริงนั่นนะ่ะ ถ้าบวชก็มาเป็นชุดเดียวกันองนี้ผ้าขาวที่หลายมาบวชก็จะเดินดีถ้ามาสับก็เนนเก่าพระเก่าที่แม่ดูเรื่องเสียหายเลยพระเก่าเนนเก่านั้นพายเสีย น, นี่เก่าไม่สะอาดเนี่ยเก่าสกปรกอ่ะเสียมันนั้นก็คุณสมมาเหมือนกันเนะี่ยผ้าขาวมาสั่งหลายหลายก็ดีแต่ว่าเขามาหาเนรสอ ง, ององค์เนี่ยเสียหายไปหมด เน้นมันฝึกเน้นเก่าอ่ะเก่าไม่สาดอยู่ในนี่ผมก็สังเกตในเหมือนกันโดยมากไอ้พระใหม่ๆเน้นใหม่ๆเขามาเราฝึกเราได้นี่ไอ้คนเก่ามันไม่ทำคนเก่ามันเป็นหัวหน้ามันเสียมุดมันไปไม่ไหวมันไปไม่ไหวมันเสียหายถ้ามันคลุกทีกันหลายมันเป็นนี่ไ เป็นอย่าง อ, า, อาจารย์ปเปร์เห็นไหมล่ะนายภาษามันจวนจะตายแล้วทำไมมันเปลี่ยนได้อย่างนั้นนกะก็เพราะการคลุกคลีกันนี่เองไม่ต้องปฏิบัติคลุกคลีกันอยู่อย่างนั้น น, นอนกอดกันเกี่ยวกันกะติหลั ง, น, งนอนสององค์สามองค์วุ่นวายเห็นไหมล่ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นอย่างนั้น รักษาไปเถอะระเบียบนี่นะครูบาอาจารย์รักษามาถึงขนาดนี้เราจะทอดทิ้งมันทำไมเราพยายามช่วยพยุงต่อไปดิแล้วใครจะมาทำอย่างนี้ล่ะต่อไปนั้นถ้าเราไม่ทำกันใครจะทำกันมาช่วยเสียหายเนี่ยนี่ไม่นานถ้าครูบาอาจารย์รุกคนตายหมดนยหมด ต่อต่อไปกระกกระแตจะเหลือกัอนไม่รู้นี่พาอเราไม่รู้เรื่องทรงไว้พจัยยามทรงไวปัจจัีศรัทธาดีๆปฏิบัติเสียหายเดี๋ยวนี้เสียแล้วผมไปดูดูดูดูไปนะมันเป็นไปไม่ไม่ไมไมไมดีบางองค์ก็ดีดีไปท่านะเราจะเราจะทำประโยชน์ส่วนรวมก็ดีดีไป แอบแฝไปอยู่กับเขากับเพื่อนเขาเะ่านั้นเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเนาะจะไปภาวนาก็ไม่ภาวนาเนามบางกีก็ไปนี่วัดอื่นก็จะช่วยการงานเขาก็าไม่ช่วยไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่ติดต่อก็โยมคนนั่นติดต่อกบคนคนนี้กไ็ไปนั่นไปเพราะมันเน่ยมันขาดทุนทั้งนั้นเนียเรื่องดีๆไม่่อยเอามาพูดให้ฟังเนาะ เรื่องไปไปทำข้อวัดเนี่ยมันเสียหายถึงนั้นโดยมากแต่ไม่ทุกคนแต่มาอยู่กับเราเราก็อยู่ไม่ได้นะอันนี้อันนี้ยมันไม่ถนัดใจอืโจรมันอยู่กับเจ้าหน้าที่ไม่เคยได้หรอกมันกลัวแอบแอบไปหาทําอยู่คนอื่นก็นู่นปาปตามเรื่องมันมันไปในทํานองนี้ไม่ใช่ว่ามันเสียงหาพระธรรมวินัยมันเป็นในทํานองนะั้นการเสพเมทุน การขโมยของนี่เป็นต้นมินต่ออันตรายเป็นสินค้าบทที่มันหนักที่แก้ไขไม่ได้เป็นไปแต่เสียจากพระไปอันนี้เราก็คงรู้จักกันได้ที่สองที่เป็นอาัตจักแก้ไขได้คืออาัตสังฆาธิเศษพวกเราทั้งหลายซึ่งไม่รู้จักละเมิดบ่อยนัก อันนี้เป็นที่ปฏิบัติของเราเช่นว่าองค์กําเนิดที่มันขดแข็งขึ้นมานเนี่ยเรามีความกําหนัดมันะ่ะไปจับไปกรรมไปทําอะไรมันหลายๆอย่างทําไมหาความสุขหาความสุขให้มันม้วนน้ำลายออกมาแล้วก็มีความสุขบ้วนวันนี้ก็ไม่พออีกเดี๋ยวกว่าวันหลังบ้วนอีกนี่นี่เป็นนิ ส, สัยอันนี้เป็นกามาหนึ่ง อันนี้จงประกันรักษาเองต่อไปถ้ามันเกิดเป็นขึ้นมาแล้วก็ลำบากกระสงทั้งหลายให้คอยระวังสังวรสังรวมต่อไปพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนอย่างนั้นต่อ น, นั้นไปเป็นเรื่องประพฤติธปฏิบัติเป็นเรื่องของพวกเราเองวันนี้ก็นับว่าการบรรพชาพระสบทสํสเด็จลงด้วยสง์ ร้อมกันไม่มีการที่บกพร่องประการมิฉะนั้นถือว่าเป็นกลุ่มสหธรรมิกโดยการให้มีความรักใคร่กันให้มีความเมตตากันสงเคราะห์กันถึงแม้ว่าเราอยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่คนแห่งหนหนก็ดีก็ให้ใจให้มารวมที่ธรรมะของพระพุทธองค์ว่าก็เป็นอนียวการทั้งนั้น รูปร่างสันฐานวั น, นะไม่มีอะไรแปลกก็เป็นอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เราต้องการจิตใจให้มารวมเป็นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยพวกเราทั้งหลายถึงแม้จะอยู่ต่างภาษากันก็ต่างเถอะไม่รู้จักภาษากันให้มันรู้เรื่องกันพูดกันไม่ได้มองดูหน้าดูตากันรู้เรื่องกันจิตใจก็สบายมีค่อยๆไปด้วยกัน ก็เป็นสมณะลุ่มเรียวกันฉะนั้นจงมีความรักใคร่เมตตากันทุกท่านมีอะไรเกิดขึ้นในจิตของเรานั่นพูดกันดีๆทุกท่านให้ความเห็นกันดีๆว่าผมรู้อย่างนั้นผมเป็นอย่างนั้นเนฟังรับฟังออทุกสิ่งทุกอย่างเราจะแนะนำารําสอนธรรมะถึงผมให้ธรม ร, ร, ธรมะก็ดีพระพากโรให้ธรรมะก็ดี สันติจิตตัวให้ธรรมะก็ดีท่านให้ฟังไว้ท่านนี้เป็นผู้ฟังฟังเฉยเฉยอย่าไปพูดว่าอันนั่นดีแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วเราอย่าวิ่งตามมันทางโน้นทางนี้เราพยายามดูมแต่ผมเข้าใจว่าตามความพิจารณาอะไรที่มันวิ่งอะไรที่มันวิ่งเป็นวงคลมมันเร็วที่สุดมนะันจะวิ่งตามมันไม่ทันนะ เราต้องอยู่เฉยๆจะดูให้มันวิ่งแตัวเราไม่ต้องวิ่งกับมันอยู่เฉยๆเดี๋ยวมันจะวิ่งมาเราดูเฉยๆมันมารอบเรานั่งอยู่ทีเดียวก็หมายความว่าจิตของเราหยุดเมื่อจิตของเราหยุดแล้วรู้สึกแล้วมันจะรู้สึกได้หลายอย่างอืมถ้าวิ่งตามมันเนี่ยไม่ทันถ้าหยุดเจ้วทันอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันนะอารมณ์ทางหลายนี้ก็เหมือนกันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้น พระพุทธเจ้ า, าท่านว่าให้ฟังโดยความเคารพฟังไป อ, อารมณ์เราฟังไปก็เพราะพระพุทธเจ้ า, าของเราเนะี่ยท่านสอนว่าให้ตรงไปเนี่ยอย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้อย่าไปทางนี้ท่านให้ตรงถ้าก็เห็นถูกมันก็ถูกอยู่นี้ ถ้าผิดมันก็ผิดอยู่นี้อย่างนี้เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรทางนั้นในความเห็นของเราที่เกิดขึ้นมาในใจของเรานี้มันก็เป็นความเห็นนั่นหนึง่งให้ความจริงใครๆก็ยังไม่รู้จักเพราะมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นนีฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้สังวรสังรวมวางไ ว, งวง้อย่าเขา้าอย่าพึ่งเข้าใจข้างโน้นอย่าพึ่งเข้าใจว่าข้างนี้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 คำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกหมดหมดไม่มีเรือไม่มีเรือหมดไม่มีเรือหมดไม่มีเรือมันมีแล้วก็ต้องให้มันหมดหมดไม่มีเรือดมันสิ้นที่ท่านเรียกว่าขีณาสวะเป็นผู้สิ้นจากอาสวะให้ความดีรู้ประวาง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 ตรงนั้นก็ไม่มีอะไรจิตใจแล้วก็สงบจากเหตุผลสงบจากความเกิดตายสงบจากความสุขทุกข์อยู่ในความสงบอย่างนั้นี่ไม่มีเหตุผลอะไรตรงนั้นธรรมนอกเหตุผลแล้วที่สุดนี่เรามุ่งไปตรงโ น, น้นที่เราปฏิบัติกันนี้เรามุ่งไปตรงโ น, น้นอืมมีเะนนั่นพระพุทธเจ้าท่านกระสอดแค่นี้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 เหมือนกันอาจารย์สวดทั้งหลายวันนี้เหมือนกันเพื่อประกอบสิ้นส่วนทั้งหลายให้มารวมเข้ากันให้เป็นพระอืให้ตรงเข้าไปสู่อความสงบทั้งนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วอยู่ด้วยกันไปอยู่ด้วยความสมัครใอยู่ด้วยความสงบอย่างนั้นมีอะไรก็อย่าไปมองกันในทางที่มันผิดจิตใจของเรานี้เป็นเครื่องวัด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 กกมิฉะนั้นเหมือนเราทุกรุ่นทุกรูปทุกนาม ท, ที่อยู่ร่วมกันนี้ถ้าพูดตามความจริงแล้วนะไม่มีไทยไม่มีฝรัง่ง ม, มีดิน ม, มีน้ำมีไฟมีลมเท่านะั้นไม่มีอะไรแต่ น, นั้นอันนี้เรียกว่าสมมุติขึ้นมา ม, มิฉะนั้นทุกท่านที่มารวมอยู่กันนี้ให้มีความเมตตาจิตสม่ำเสมอ รักกันโดยธรรมะอย่ารักกันโดยโรคอืมซึ่งในเวลานี้พวกเราซึ่งเป็นคนไทยซึ่งเป็นคนพรเรือนซึ่งอยู่คนแดนแดนที่มารวมกันได้อย่างเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งให้ประชาชนในกลุ่มชนนี่ดูอย่างพวกท่านทั้งหลายอุตซาห์มาบวชในเมืองไทยนี้อื่นะ ก็เป็นเหตุอีกอันหนึ่งซึ่งมีการปลูกศรัทธาคนไทยให้มีความเรื่อใสในพุทธศาสนายิ่งยิ่งขึ้นมาเลี่ยนี่เมืองไทยเนี่ยนี่มันจะเสื่อมเสื่อมไปแล้ว อ, อย่างที่มาหาพระจะค้นหาธรรมะอย่างแท้จริงก็ไม่เมีมาขอเหรียญกระหลวงพ่อมาขอนำมนกระหลวงพ่อ มาขออะไรอะไรตอนนั้นไม่ดูเรื่องเออจ้านั้นเนี่ยอย่างมากก็เอาอาหารดีๆมาถวายเราฉันได้บุญดายไอ้ธรรมะแท้ๆเนี่นมันกลายไปไม่ค่อยจะเห็นไม่ค่อยจะปฏิบัติกันอย่างนั้นในเวลานี้โลกกําลังเป็นอย่างนี้เราจึงมีความรู้สึกว่าเราอยู่คนในประเทศได้มารวมกันอยู่ที่นี่มันก็เป็นของแปลกเหมือนกันอืม นั่นจะมีความภูมิใจประชาชนทางหลายเห็นพวกท่านทางหลายซึ่งอยู่ในเมืองนอกอมืมารวมกันในเมืองไทยมาฉันข่าวเหนียวก็ได้มาพูดภาษาไทยก็ได้มาพูดภาษาลาวก็ได้มาอยู่ที่ทุกๆอทากยากลําบากก็อยู่ไดอ้อย่างนั้นผมจึงพูดว่าเมื่อไปกรุงดอนดอนเป็นนอกว่าพวกท่านนี่จะต้องไปทํา็อกเตอร์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 เต็มที่อย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบุญอันเลิเป็นบุญอันประเสริฐมิฉะนั้นต่อ น, นี้ไปขอพวกท่านทั้งหลายจงไปสังวรจงไปสังรวมประพฤติปฏิบัติด้วยตนเองของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เราอยู่ร่วมกันไปกว่าเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันไปในความดีความชั่วทำเอาเองอัคตาโลตถ า, าคาตาพระพุทธเจ้าเป็นแต่ผู้บอกเท่นั้น ไม่ใช่เป็นคนที่ทําให้เราให้เรามีความเห็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายจึงอยู่เป็นสุขเป็นสุขด้วยสันติธรรมให้บรรลุคุณธรรมมันยิ่งยิ่งขึ้นไปอยู่กันด้วยความส ง, สงบสงบสุขในวัดน้องปภพงษ์นี้าฉะนั้นซึ่งบวชมาแล้วเลยมากอืม <c oughs> เราจะเที่ยวสัญจรไปมาที่ไหนเระก็ต้องศึกษาพระชาศึกษาอาจารย์อืม เพื่อนพิสูจน์ทั้งหลายนี่ฉะนั้นเราจึงขอหนีสายถ้าเราไปไดเรื่อยไม่รู้เรื่องที่เราไม่รู้เรื่องอะไรสารพัดอย่างมันก็ดําบากเปืองการไม่ค่อยจะดีอื่พวกเราทํางหลายก็ไปมาบ้างแล้วไปนน่นไปนี่ตามสาขาทั้งหลายนี้นี่แล้วก็มารวมปฏิบัติอืนก็ให้ไปอืโดยมากอยู่ในอาลกขาของพ่อแม่ ของกฎเกณฑ์ซึ่งว่าเราขอนิสัยนั้นให้มันได้นิสัยซะก่อนเป็นพิกสูเก่าก็เรียกว่าห้าพันศาห้าพันษานี้เรามีหูก็ต้องได้ฟังศึกษาเราเรียนจนพอสมควรห้าพันษานี้พระพุทธเจ้าอ่ะเป็นพระเก่าหรือเป็นพระที่ควรฝึกได้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 เยอะเกินอไอความจริงของพุทธศาสน า, าดึงดูดาจิตใจคนไทยจิตใจเมืองนอกทั้งหลายมารวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้มันเป็นของแปลกอยู่เหมือนกันฉะนั้นจงประกันตั้งอกตั้งใจนี่บาทนี้เป็นพระเป็นพระสมมุตินะเป็นพระสมมุทรจะเป็นพระจริงๆนั้นเปทําให้เป็นเองนะจ ง, ส, งสังวรสังวมต่อไปต่วนี้ บันนี้กวามีเวลาพอสมควรในปัจุบันนี้ครับนักวิชาการนักวิาารนะไี่เรียกมัเรียกรับอนุชาจ้ะ